มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาอัธรรมวัสุริยะตปะภาวะปัญหาที่สี่ถามว่าในเหมันตะรดูเหตุไรพระอาทิตย์จิงแผดแสงกล้านัก สมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามหิดสราธิบดีมีพระราชองคการดำรัสตรัสถามปัญหาอื่นสืบไปว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาโยมนี้มีความสงสัยเหตุชไหนในเหมันตะระดูพระอาทิตย์จิงแผดแสงกล้าในคิมหะหระดูเหตุชไหนจิงแผดแสงอ่อนไปไม่แผดแสงกล้าเหมือนอย่างนั้น พระนาคเกษณถวายพระพรวิสัชนาว่าขิมเหสุมหาราชะดูราณะบอพิษพระราชสมภารในขิมหะฤดูทั้งหลายมีละอองน้ำตกน้อยมักจะตั้งอยู่เสียในเบื้องบนไม่ค่อยตกลงมาอันหนึ่งเรนูละอองทั้งหลายก็ย่อมฟุ้งไปตามท้องฟ้าแม้ในอากาศก็มีหมอกมากทั้งลมใหญ่ก็พัดจัด สิ่งทั้งปวงมีละอองน้ำเป็นต้นนั้นจึงอากูลมริยรายไปในที่ต่างๆรวมกำลังช่วยกันบังแสงพระอาทิตย์เสียเหตุฉะนั้นในคิมหะฤดูพระอาทิตย์จึงแผดแสงอ่อนมหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารส่วนในเหมันตะฤดูนั้นในเบื้องต่าแผ่นดินเป็นของเย็นในเบื้องบนมหาเมฆเข้าไปตั้งจับเป็นก้อนใหญ่ มิได้อากูลกระจัดกระจายไปในที่ต่างๆอันหนึ่งละอองน้ำและเรนูฝุ่นทุลีทั้งหลายย่อมเป็นของสงบมิได้เที่ยวฟุ้งไปตามท้องฟ้าท้องฟ้าเป็นสถานอันสะอาดปราศจากมนทินทั้งลมบนก็ไม่แรงเมื่อค่าสึกกล่าวคือเมฆเป็นต้นไม่มีมาเบียดเบียรแล้วพระอาทิตย์ก็บริสุทธิ์แจ่มจ้า แผดแสงกล้าได้เต็มที่เหตุชนี้แหละในเหมันตะฤดูพระอาทิตย์จึงแผดแสงกล้าในคิมหะฤดูจึงแผดแสงอ่อนขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีเมื่อพระนาคเษนถวายวิสัชนามาดังนี้มีพระทัยชื่นชมโส ม, มานัตรัสรับรองถ้อยคําของพระนาคเษนว่าพันเตนาคเสณนะ ข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาพระผู้เป็นเจ้ากล่าวถูกแล้วพระอาทิตย์พ้นแล้วจากข้าศึกทั้งปวงแล้วย่อมแผดแสงกล้าที่แผดแสงอ่อนก็เพราะประกอบด้วยข้าศึกเช่นเมฆเป็นต้นกำบังแสงไว้สุริยะตรปะภาวะปัญหาเป็นคำรบสีจบเพียงนี้